เมื่อแยกแยะดูขั้นตอนตามลอำดับของกระบวนการทจะเห็นว่าการเสวนาสัตว์บรุษหรือความมีการระยานมิตรนำไปสู่การได้สดับธรรมคือคำสอนคำแนะนำชี้แจงต่างๆโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเมื่อธรรมคือหลักความจริงหรือหลักแห่งความดีงามที่แสดงนั้นเป็นจริงหรือดีงามจริงหรือแสดงได้ดีมีเหตุผลผู้รับฟังก็เกิดศรัทธาอาจเขียนให้ดูง่ายดังนี้ หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่12ทับ1ประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้การเสวนาสัตว์บุรุษหรือความมีกัลยาณมิตรนำไปสู่การได้สดับธรรมเมื่อธรรมคือหลักความจริงหรือหลักแห่งความดีงามที่แสดงนั้นเป็นจริงหรือดีงามจริงหรือแสดงได้ดีมีเหตุผลผู้รับฟังก็เกิดศรัทธาถึงตอนนี้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 ส่งผลได้ถึงศรัทธาจบลงเพียงแค่โลกิยะสัมมาทิฐิเท่านั้นถ้าได้เพียงเท่านี้ก็เป็นอันไปไม่ตลอดกระบวนการศึกษาไม่ถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเมื่ออยู่แค่ขั้นศรัทธาผู้มีศรัทธานั้นก็ยังต้องคอยอิงอย่างขึ้นต่อการระยาณมิตรคอยพึ่งอาศัยครูอาจารย์พฤติกรรมก็ยังอยู่ในลักษณะของการทาตามหรือเรียนแบบ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 บรรลุจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาหรือการศึกษาที่แท้ได้การเชื่อมโยงเข้าสู่ปัจจัยภายในนี้ก็าอาศัยกัลยาณมิตรซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกนี้เองช่วยทำให้ได้และเมื่อว่าตามหลักการแล้วก็ถือเป็นหน้าที่ของกัลยาณมิตรที่จะช่วยผู้เรียนให้ปลุกโยนิโสมนัสิการของตนขึ้นมาใช้กัลยาณมิตรจึงไม่พึงมีเป้าหมายอยู่เพียงแค่ขั้นศรัทธา แต่พึ่งใช้ศรัทธาเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้ตนจุดชนวนโยนิสโสมนัสิการในตัวผู้เรียนขึ้นได้โดยสะดวกโดยในยนี้กัลยาณมิตรอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องเชื่อมโยงแล้วใช้การแสดงธรรมธรรมที่แสดงหรือวิธีแสดงธรรมนั่นเองช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้เรียนปลุกโยนิสโสมนสิการขึ้นคือให้รู้จักคิดรู้จักพิจารณาด้วยตนเอง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 มนุษย์ปุถุชนที่เป็นเวไนยคือไม่ถึงกับเป็นอัจฉริยะที่จะเริ่มโยนิโสมนัสิการขึ้นลำพังตนเองและไม่ใช่ปะทะประมะที่ไม่อาจคิดเองได้ก็จะสามารถก้าวไปในกระบวนการศึกษาและการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องอาจพูดกํำชับเกี่ยวกับหน้าที่ของกัลยาณมิตรตามหลักพุทธธรรมว่าการที่กัลยาณมิตรมาช่วยเหลือคนผู้หนึ่งผู้ใดนั้นไม่ใช่เพื่อให้คนผู้นั้นหันมาติดพัน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 แผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้การเสวนาสัตว์บรุษหรือความมีกาลยานมิตรนำไปสู่การได้สดับธรรมเมื่อธรรมคือหลักความจริงหรือหลักแห่งความดีงามที่แสดงนั้นเป็นจริงหรือดีงามจริงหรือแสดงได้ดีมีเหตุผลผู้รับฟังก็เกิดศรัทธาช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้เรียนปลุกโยนิโสมนสิการขึ้นแต่ในหลักการพัฒนาปัญญา หรือองค์ประกอบที่จะทำให้เป็นโสดาบันท่านไม่กล่าวถึงศรัทธาเลยคือโสตาปตะยังคะหรือองค์ประกอบที่ทำให้เป็นโสดาบันสี่ประการได้แก่ 1. นสัพปริสัสสังเสวะ 2. สัทธรรมมัตสวนะ 3. โยนิโสมนสิการและ 4. ธรรมานุธรรมะปฏิบัติทั้งนี้ท่านอาจถือว่าในกรณีนั้น ศรัทธาเป็นเพียงองค์ทำผ่านหรือช่วยเชื่อมโยงไม่ใช่ตัวเน้นจึงข้ามไปกระบวนการทำนังที่แสดงตามลำดับมาเมื่อประสานกับหลักการพัฒนาปัญญาหรือองค์ประกอบที่ทำให้เป็นโสดาบันนั้นอาจเขียนได้ดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่12ทับ3ประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้การเสวนาสัตว์บุรุษ หรือความมีกัยาณมิตรนำไปสู่การได้สดับธรรมปรกโยนิโสมนัสิการขึ้นเป็นเหตุให้ปฏิบัติธรรมถูกหลักพุทธพจน์ต่อไปนี้แม้จะไม่ได้ระบุองค์ประกอบข้อโยนิโสมนัสิการแต่ก็แสดงให้เห็นการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรซึ่งให้ความเป็นอิสระแก่ผู้ศึกษานำไปสู่การรู้เข้าใจประจักษ์ด้วยตนเองดังคาสนทนาต่อไปนี้ ในมาคันทยะสูตรมัชิมานิกายมัชิมปัปปนาตพระพุทธเจ้าสนทนากับมาคันทิยะปริพาชกว่าต้องรู้ความจริงและละกามตัญหาจึงมีจิตสงบระงับและทรงเปล่งอุทานว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันนำไปสู่อมตะธรรมทางมีองค์แปดเป็นทางอันกเกษม มาคันธยปริพาชกกล่าวว่าตนเคยได้ยินครูบาอาจารย์ปริพาชกรุ่นก่อนๆ ก, กล่าวอย่างนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าเข้าใจความหมายว่าอย่างไรมาคันธยปริพาชกเอามือลูบตัวและตอบว่านี่แหละความไม่มีโรคนี่แหละนิพพานพระพุทธเจ้าจึงตรัสเปียบปริพาชกเป็นดุจคนตาบอดหลงชื่นชมผ้าที่ศกพรกว่าขาวสะอาดแล้วตรัสว่า พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้ตรัสพระคาถานี้ไว้บัดนี้คาถานั้นเป็นคาถาของปุถุชนไปโดยลำดับท่านนั้นกล่าวถึงกายนี้อันเป็นโรคเป็นฝีร้ายเป็นสอนแทงใจว่าเป็นความไม่มีโรคและว่าเป็นนิพพานเพราะท่านไม่มีจักษุ ข, ของพระอริยะอันเป็นเครื่องรู้ความไม่มีโรคและเป็นเครื่องเห็นนิพพาน มาคันธยะปริภาชกจึงกราบทูลว่าข้าพเจ้าก็เลื่อมใสต่อท่านพระสมณะโคดมอย่างนี้แล้วท่านพระโคดมผู้เจริญพอจะช่วยทรงแสดงธรรมให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นจากอาสนะนี้โดยหายมืดบอดได้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอย่างนั้นมาคันธยะท่านพึงคบหาสัตว์บุรุษทั้งหลายเพราะเมื่อท่านคบหาสัตว์บุรุษท่านจากได้สดับสัจธรรม เมื่อท่านได้สดับสัตยธรรมท่านก็จักปฏิบัติธรรมถูกหลักเมื่อท่านปฏิบัติธรรมถูกหลักท่านก็จักรู้ได้เองเห็นได้เองทีเดียวว่าโรคทางจิตฝีร้ายในใจสอนที่คอยทิ่มแทงใจคือเหล่านี้เหล่านี้โรคฝีร้ายสอนแทงใจจะดับไปได้ณที่นี้คือเพราะอุปาทานของเรานั้นดับไปพบก็ดับเพราะพบดับ ชาติจึงดับเพราะชาติดับจรามรณะจึงดับความโศกความคร่ําครวนความทุกข์โทมนัดความขับแขนใจก็จะดับไปความดับแห่งกองทุกทั้งมวลก็จะมีได้ด้วยประการชนีและอีกแห่งหนึ่งในโทตกสูตรขุตการณิกายสุตตนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสแสดงให้เห็นการทําหน้าที่ของการยาณมิตรซึ่งให้ความเป็นอิสระแก่ผู้ศึกษา นำไปสู่การรู้เข้าใจประจักษ์ด้วยตนเองเมื่อราวต่อปัญหาโทตกะมานพหนึ่งในสิทธิพรามภาวรีว่าดังนี้โทตกะมานพทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปัญญาจาักสุเห็นรอบด้านข้าขอน้อมนมัสการพระองค์ข้าแต่พระศากยะขอได้โปรดปลดปล่อยข้าพระองค์จากข้อสงสัยทั้งหลายด้วยเถิดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า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 พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการเมื่อฟังสั์ธรรมย่อมเป็นไปได้ที่จะอย่างลงสู่นิยามคือความถูกชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย5ประการอะไรบ้างได้แก่หนึ่งไม่นึกหมินเรื่องที่เขาพูด 2. ไม่นึกหมินผู้พูด 3. ไม่นึกหมินตนเอง 4. ใจไม่ฟุ้งซ่านฟังธรรมโดยมีจิตหนึ่งเดียว 5. มนสิการโดยแยบขายคือมีโยนิโสมนสิการทรรมที่ต้องการเน้นณที่นี้คือโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นตัวการทำหน้าที่ทางปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจแต่โยนิโสมนสิการนั้นไม่ใช่ใช้เฉพาะในการฟังธรรมหรือฟังคาอธิบายเท่านั้น